เพราะ่าการยือชีวิตนี่มันมันจะกลายเป็นการยือความทุกข์ทรมานไม่ได้ช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นแล้วก็เผอเอก็ตายไม่สงบด้วยเดี๋ยวนี้ก็มีศูนย์ทานองนีเยอะในโรงพยาบาลใหญ่ๆเพราะว่าเขารู้แล้วว่าโรคภัยแค่เจ็บนะ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 สารพัดคนไข้ก็ไม่ได้มีความทุกข์ทรมานน้อยลงเลยกับเพิ่มมากขึ้นซะอีกในเดือนนี้นี่ก็มีโรงพยาบาลใหญ่ๆที่เข้ามาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นเลยเพลโรงพยบาลของรัฐนะหลายโรงพยาบาลก็อยากจะให้มีการอบรมสำหรับ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 ซึ่งเป็นหมอเอ่ซึ่งเป็นตำรวจเป็นตำรวจก็มีมีอายุมากแล้วนะประมาณนักสี่บห้าสิบรือใกล้หกสิบแล้วจะเป็นมาเร็งแล้วก็อยู่ในระยะสุดท้ายรักษาตัวที่โรงพยาบาลเวลาจาติๆมาเยี่ยมตอนกลางวันเนี่ยแกก็จะเรียกร้องเอานั่นเอานี่ตลอดเวลาเดี๋ยวเอาน้ำเดี๋ยวเอาอาหาร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 ว่าให้อยู่ให้นอนนิ่งๆบ้างนะพ่อก็ไม่สนใจก็เรียกร้องลูกชายอยู่นั่นแหละลูกชายสติดแต ก, ออกคืนหนึ่งก็คว้าคอพ่อแล้วขย่าว่าพ่อเป็นอะไรทาไมพ่อเป็นอย่างนี้นะทำไมไม่นะเรียกร้องตลอดคืนเลยนะขย่าวคอพ่อนะ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 กลัวตายแต่ว่าไม่กล้า บ, บอกใครว่ากลัวตายเพราะเป็นตำรวจตำรวจมันต้องไม่กลัวตายตำรวจมันต้องเข้มแข็งนะภาพลักษณ์หรือว่าภาพลักษณ์ความเป็นตำรวจเป็นเป็นผู้ชายที่เข้มแข็งเนี่ยม่ควรจะแสดงความอ่อนแอไม่ได้คือจะจะบอกว่าตัวเองกลัวก็กลัวเสียหน้านเผเผอตัวเองไม่รู้ตัวด้วยนะว่ากลัว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 มันจะเข้มแข็งกว่าเดิมคนที่มีกิเลสเด่นๆแบบไหนก็ตามเนี่ยพอใกล้ตายนี่กิเลสตัวนั้นมันจะแสดงตัวชัดมากอีกคนหนึ่งเขาก็เล่ยฟังว่าเนี่ยเขาคนไข้คนหนึ่งก็เป็นผู้หญิงอายุมากแล้วระยะสุดท้ายนะต้องใส่ท่อใกล้ตายแล้วต้องใส่ท่อ แทนที่จะนึกถึงพระผู้ป็นธรรมประสงค์นึกถึงาการทำบุญนะกลับหมกบุญคุ้นคิดอยู่กับเงินทองที่คนอื่นเนี่ยหยิบจมมตนขอกระดาษขอปากกาขอจดหน่อยว่าใครเป็นหนี้ฉันบ้างเอาเอาความจำทั้งหมดเนี่ยมาทุ่มเทอยู่กับการนะทบทวนว่าใครเป็นหนี้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 อกิเลสตัวนี้นะก็คือนะความโลภความตันหนีมันก็แสดงตัวมาเคยไปเยี่ยมผู้ป่วยคนหนึ่งผู้ป่วยคนนี้เนี่ยก็เป็นผู้หญิงคุณยายอยู่ที่โรงพยาบาลนคปรปฐมก่อนไปเยี่ยมนี่หมอก็ได่้ฟังว่าอาการกันหนักแล้วแล้วก็หมอก็พยายามที่จะแนะนำ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 สามารถทาให้ไปอบายได้คือถ้าจิตเป็น อ, อกุศลนะแล้วก็จิต อ, อกุศลต่อนเนื่องไปจนถึงจิตสุดท้ายที่เรียกมรณาสันนวิธเนี่ยอาสนกรรมเป็น อ, อกุศลก็ไปอบายทันทีเลยมีเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกเยอะนะพระที่ได้จีวรใหม่มาสมัยก่อนจีวรเป็นของหายยาก ส่วนใหญ่พระก็เก็บเอาจากซากศพได้จีวอใหม่จากพี่สาวดีใจแต่ไม่ทันได้ใช้ก็เกิดมรณภาพกระทันหันก่อนตายจิตสุดท้ายเนี่ยมันเหนียวนึกถึงจีวอผืนนั้นด้วยความเสียดายเสียดายที่ไม่ได้ครองหรือเสียดายที่ไม่ได้สนองศรัทธาพี่สาวก็ไม่ทราบเพราะว่าพอตายก็ไป ไปเป็นเลนอยู่ในจีวอนั่นแหละลึกถึงจีวอนั่นก็ได้ไปอยู่ใกล้จีวอนสมใจนะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นภพภูมิที่ดีลแล้วก็จะเป็นทุกติหรือว่าความรู้สึกผิดก็เหมือนกันนะความรู้สึกผิดอย่างนางเมริกาเทวีเป็นมนหาเสีอพระเจ้าอุทเทนอันปจ้าประสิทิโกศนก็เป็นคนที่ใยดีฝ่ายทำ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 ก็อาจจะมีศีลก็ได้นะอาจจะเป็นคนทําบุญก็ได้นะแต่ว่าไอ้ศีลที่บำเพ็ญเนี่ยมันไม่ได้ช่วยลดความกลัวเลยหรืออย่างยายที่แกตนหนีเนี่ยแกก็อาจจะชอบทําบุญให้ทานรักษาศีลแต่แกไม่ได้ขัดเกล้าไม่ได้ลดละความตนหนีคนที่มีศีลหแต่ว่ามีความตนหนีทีเหนียวนี่ก็เยอะนะ บางคนก็อาจจะเป็นเจ้าหนี้เงินกู้นะคิดดอกเบี้ยราคาแพงๆก็ได้ก็อาจจะไม่ได้โกงใครไม่ได้ทําปนอติบาตนะไม่ได้โกหกใครไม่ได้โขโมยใครไม่ได้ประพฤติผิดในกาไม่ได้กินเหล้าแต่ว่ามีความตนหนีไอ้ความตนหนีนี่แหละนะถ้าไปเลี้ยงมันเอาไว้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 ในเวลาที่ใกล้าตายเพราะตอนนั้นสติมันอ่อนพอสติอ่อนนี่กิเลสมันจะมีกำลังมากหม่วยจะเป็นความกลัวไม่อาจะเป็นความรักษาหน้ารักษาตาหวงแหนศักดิ์สีหรือว่าความตนหนีรวมทั้งความโกรธด้วยก็ะเป็นคุมไม่ได้นะมีครูคนหนึ่งนะ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 ปรารถนาดีนะแต่ตีเพราะว่าความโกรธเด็กตีก็นี่ก็กลัวเลยพอครูนี่ก็เสียนมาอยู่บ้านแกก็ใช้นิสัยเดียว ก, กันกับลูกกับหลานชอบสั่งชอบชี้นิ้วชอบตอว่าชอบปิชินินทาว่ากล่าวลูกหลานก็ไม่อยากเข้าใกล้แล้ววันหนึ่งแกก็ป่วยเป็นมะเร็ง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 จนคนนี่ไม่อยากอยู่เข้าใกล้ใช้อารมณ์กับคนรอบข้างเนี่ยมันทั้งหมดนี่ก็เรื่องเดียวกันนะก็คือว่าถ้าเราปล่อยให้กิเลสตัวไหนเนี่ยมันมันอยู่หรือถ้าเราเลี้ยงกิเลสตัวไหนเอาไว้พอเวลาป่วยเวลาใกล้ตายไอ้กิเลสตัวนั้นเนี่ยมันยิ่งมีกำลัง ถึงแม้กำลังวังชาเราถดถอยกำลังกายถดถอยแต่ว่ากำลังกินเหลนี่มันไม่ได้ถดถอยตามนะมันกลับแรงมากขึ้นกว่าเดิมเราก็ทำให้อยู่ก็ไม่เป็นสุขนะตายก็ไม่สงบผู้คนก็มีความทุกข์ร้อนกับพฤติกรรมของคนไข้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเวลาเรา ที่เรายังมีลมหายใจที่เรายังมีกำลังวังชาอยู่เนี่ยนะก็ต้องคิดนะว่าเราอยากจะตายแบบไหนถ้าเราอยากจะตายอย่างสงบตายตายดีก็ต้องหันมาใช้ชีชวิตของเราเนี่ยให้มันสอดคล้องกันด้วยไม่อยากตายอย่างคนโกรธนะก็ต้องพยายาม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 ความรักความหวงแหนหน้าตาศักดิ์สีเนี่ยต่อไปผนเอฟไปผนอาผ น, อ ม, น, นอมันปนเปื้อมมันมันก็จะเหมิมเกริมมากทีจริงมันก็เหมิมเกริมตั้งแต่ตอนที่ยังมีลมหายใจแล้วตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตแล้วเพียงต่ว่ามันจะแสดงตัวชัดเจนมากชนิดที่ว่าไม่มีอะไรขวางกั้นได้ในเวลาใกล้ตายถ้าเพียงแค่ให้ทารักษาศีลนี่ไม่พอนะ มันต้องหันมาจัดการกับกิเลสเหล่านี้เพราะว่าศีลเนี่ยมันก็แค่จำกัดขอบเขตของตัวกิเลสตัวใหญ่ๆนะไม่ให้ไปก่อบวนไปก่อกรรมทำเค็นกับผู้อื่นแต่ว่ามันก็ยังสามารถที่จะรบกวนจิตใจได้อย่างที่บอกเนี่ยคนที่รักษาศีล5แต่ว่าเป็นคนที่หวงแหนหน้าตา หรือว่าเป็นคนที่ตนหนีนี่ก็เยอะปล่อยให้มารอยนวลพนัาพนอมันตามใจมันนี่ก็อันตรายให้การภาวนาเนี่ยมันก็ช่วยได้แต่ภาวนาก็ต้องภาวนาให้เป็นนะเพราะว่าบางคนภาวนามาปฏิบัติธรรมแต่ว่าไม่ค่อย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 กวาดกวาดทางกวาดเอากรวดเอาหินออกไปแต่ว่าหินก้อนใหญ่ๆก็ยังอยูนะ่อย่างที่เคยพูดไว้เมื่อหลายวันก่อนนะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยหลายคนนี่ปฏิบัติธรรมเพียงแค่ปัดกวาดเอากรวดหินเล็กๆน้อยๆแต่ก้อนหินก้อนใหญ่ๆนี่ไม่ได้แตกต้องเลยนะคือกิเลสนั่นแหละความยึดติดถือมั่น ในทรัพย์ในสมบัติในหน้าตาในศักดิ์ศรีในเกียรติยศหรือว่าในความโกรธภาษาฝรั่งมันมีคําว่าช้างในห้องนะมันเป็นสำนวนนะช้างในห้องหมายความว่าอยู่ในห้องเนี่ยแต่มองไม่เห็นช้างเลยทั้งที่ช้างมันตัวโตวมากแต่ดันเห็นเข็มนะเห็นเข็มเห็นกระดาษเห็นเห็นฝุ่นนะแต่ไม่เห็นช้าง นักปฏิบัติทมจำนวนไม่น้อยเลยนะก็คล้ายๆกันนันะ่นแะคือเห็นรู้ทันความคิดเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าไม่รู้ทันกิเลสตัวใหญ่ๆอันนี้ก็ต้องระวังนะต้องกล้าที่จะเข้าไปขุดลากถอนคนในกิเลสหรือว่ารู้ถอนกิเลสเหล่านั้นเริ่มต้นด้วยการที่ไม่พเนาะพนอมันต้องกล้าที่จะ เผชิญหน้ากับมันยอมรับว่าเออเราก็มีกิเลสตัวนี้กิเลสตัวใหญ่ๆถ้าคิดแต่จะหาความสงบนะแล้วก็ปล่อยให้กิเลสลอยนวลนะวันดีคืนดีมันก็สามารถอรารวาดแล้วก็ก่อปัญหาให้กับเราเชินี้ที่เราคุมไม่ได้เลยเพราะตอนนั้นโดยเพราะเวลาที่ป่วยนี่ สติมันอ่อนแล้วไม่มีกำลังแล้วแต่กิเลสนี่แรงมันมากเหลือเกินถึงตอนนั้นนี่ก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรช่วยแล้วแต่ถ้าไม่มีกัลยาณมิตรนะมันก็ก่อกวนทั้งตัวเองด้วยก่อกวนคนอื่นด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องต้องพิจารณาให้ดีนะ นอกจากการให้ทานการรักษาศีลและต้องภาวนาชนิดที่ว่ากล้าที่จะล่วงลึกนะไปถึงไอ้กิเลส ท, ที่อยู่ส่วนลึกในจิตใจนะไม่ไม่ไม่กลัวมันไม่ปล่อยให้มันลอยนวลเอาละคำนี้ก็เพียงเท่านี้นะกราบพระ